Thank you. นมัสการพระครูสมณภาพโพธิราชท่านเนื่องในโอกาสทุกรูปท่านศิขมาอาตมาคณะ เพื่อน้อมรำลึกถึงบรรยากาศเก่าและได้รำลึกทุกๆคนก็คือ ในวันนี้ลูกๆนะ คน, คน 200 คนนะครับก็จะขออนุญาตท่านนะครับครับก็ จนถึงวันสกา วิญญาวุฒิกะเรเตเตกินโนวาเท พระใหญ่ยิ่งครู สู่รายการเลยนะครับอ้าวขอ <c oughs> Arhatur, sama-samput tersap. Na'mu tersap, Bakawakta, arhatur, Sama-samput tersap. Na'mu tersap, Bakawakta, Sama Sambuddhatsa Nambo Tarsat Bhagavato Arahato Sama Sambuddhatsa Nambo Tarsat Bhagavato Arahato Sama Sambuddhatsa Puthang Serenang Kacchami Puthang ภะระณังขะฏฐามิธัมมังสะระณังขะฏฐามิธัมมังภะระณังขะฏฐามิสังฆังสะระณังขะฏฐามิสังฆังภะระณังขะฏฐามิ ธรรมังซระนังกัดชามิถูกติยำปิ ธรรมังolorาแน่งUB BU พระ皆さん בכกัน anz pengбษาติ ธรรมังยังหมายกัญธรรมังขชามิถูกติยำปิ assemble watersบ laughter debenพระกัดชามิ ตะกติยำปิพุทธังว่า devenชี reps พระเจ้าตะติยำปิพุทธังว่า ข้าพเจ้าตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิปะฏิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิ <tis> <tis> เอาวันนี้วันที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 แรง 8 ค่ําเดือนไอวัน 8 ค่ําเดือน 7 ปีจอ 77 2477 มนุษย์เราก็มีพิธีการนี้แหละรู้จักวิธี ล้อมรวมล้อมรวมกันมันเป็นพลังงานรวมกันเข้ามาเป็น ฟังไม่เข้าฟังเพราะก็ถือว่าพลังงานนี้เป็นเรื่องของเอ่อเป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่อง จริงๆก็ว่าพลังเนี่ยมันไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ําไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟแต่ มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้สูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นรู้จักกรรมเข้าใจกรรมเชื่อกรรมเชื่อวิบากแล้วก็รู้จักสิ่งที่ทรง มันทรงอยู่อย่างที่มันประุงแต่งกันอยู่สนิทเนียนเลยแยกกัน มีมีวิญญาณก็ไปร่วมก็ไปรวมมีวิญญาณก็ไปรวมนะซึ่งศีลเหล่านี้พระพุทธเจ้าจริงคําว่าความ เทียนบรรนิอตมาเตรียมมาว่าจะเอามาบรรยายพอ Facebook มาถึงกองทัพ fuse เนี่ยทุกิสก็ถามมาก็ 8 คํา พวกเรามารวมตัวกันวันนี้หลายกลุ่มหลายประแหน่ดีจะได้ร่วมกันฟังแล้วก็ใช้โอกาสนี้ที่จริงวันเนี่ยไหว้ 10ๆ 10 อาตมาทุกวันนี้นี่มันแหมอะไรอาตมาไม่อะไรไม่สําคัญทั้งเวลาเลยอาตมาล่าเวลากันหาเช่าก็ไม่ได้ เธอรับฟังกันตั้งใจจะอธิบายเอาหลักฐานปฏิปทกมามายืน ก็ใส่อย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นไปได้เพราะบางทีก็เป็น เพราะก็ต้องดูดีๆว่าเอออันนี้เอมันจะจะเข้าใจมั้ยไม่เนี่ยได้ จะอ่านเออเห็นมั้ยเล็กกว่าติ๊กแต่เรียกว่า sa ว่าใครดีอืมโลก 2 ฝั่งฝากฟ้า 1 เป็นโลกิยะอีกฝากฟ้า 1 เป็นโลกุตระอันนี้ มันลึกไปถึงขั้นกุศลในระดับมีบุญบุญนี่คือการจําระกิเลสบุญกับกุศลมีนัยยะสําคัญที่ต่างกันที่ กุศลนั้นคือความดีทั่วไปรวมถึงความดี เครื่องมือในการจํากิเลสบุญญะพระสาลีท่านบอก นั่นคือนิยามของกรรมบุญคําจัดการความที่กุศล ชําระกิเลสโดยตรงบุญเนี่ยเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยเมื่อหมดแล้วทําหน้าที่หมดหยุดหมดหน้าที่จริงเรียกว่าสิ้นบุญสิ้นบาปนะปุญญะปาปะปริคิโนปุญญา หมดสิ้นเกลียดเกลี้ยงบุญก็หมดนาทีหายๆนานานะคําถามของ สักก่อนจะอาตมาจะอ่านเฉพาะคําถามแล้วก็จะขยายความจะแปลคําถามๆแล้วถึงจะขยายเอา 11:15 น. น, นอาตมาไม่ 11 15 นาทีเออ ไม่ได้มักเอาเวลาอาตมาอะไรเอาเอาอะไรอาตมาได้แต่ห้ามเอาเวลาของอาตมาไปหวง ไม่จริงจริงนี่คือคนนึงฟังข้อเดียวนี่ก็จุกแล้วนะความว่าสิ่งใด 2 จุดเริ่มต้นของจักรวาลคือ อะไรคือจุดประสงค์ของการมีๆเลย 3 มนุษย์คือ หมายความเอาความหมายของมนุษย์ก็คืออะไรนะมนุษย์คืออะไรในศาสนาพุทธจุดเริ่มต้นของมนุษย์มาจากไหนเดี๋ยวถาม มนุษย์เกิดมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเกิดมาเพื่อ 4 มนุษย์ตาย 5 จริยธรรมคืออะไรอะไร ของจริยธรรมแล้วใคร 6 อะไรที่ แล้วใครเป็นคนกําหนดเนี่ย 6 ข้อเนี่ยอาตมาจะต้องตอบรายสั้นๆสั้นๆนะก่อน 1 1 ความ ความจริงสูงสุดภาษาบาลีว่าปรมัตถสัจจะ <Of course. S 1> 1 คนกําหนดก็เป็นของ 1 คนกลุ่มหมู่นี้รับยอมรับด้วยกันเรียกว่า ตามมนุษย์เป็นผู้กําหนดส่วนปรมัตถสัจจะนั้นเอ่อขั้นสูง วันนี้อาจจะต้องใช้อาจาหน่อยคมานเลยต้องฟังเพราะถ้า แต่หากจะมีนั้นก็มีมีได้อันเดียวอันใดอันหนึ่งเท่านั้นสัจจะสูงสุดก็มีๆนะโหติมัน ไม่มีใครกําหนดหรอกว่าอะไรเป็นสัจจะแต่เมื่อไม่มีคนมีจิตนิยามมันก็สมมุติกัน ได้เธอก็聞いติ๊กก็ก็เป็นสัจจะได้อย่างนี้มีถ้าจิตวิญญาณยึดถือกันจริงเลยว่าอันนี้จริงอันนี้ถูกไม่มีใครขัดแย้งเลยอันนี้คือปรมัตถสัจจะ มันก็ไม่มีอ่ะขี้มันก็ไม่มีข้าวมันก็ไม่มีมันมีขี้มันก็แล้วค่อยค่อยเอาของพระพุทธเจ้ามาอ่านแล้วก็ฟัง แล้วเข้าไปถึงใจนะเข้าไปถึงญาณ โลกคือจักรวาลความรวมกันแล้วก็หมุนตั้งแต่ วิวัฒนาการในดินน้ำไฟๆๆเป็นอุตุนิยมจนมาเป็นภูมิชนนิยามจนพัฒนามาเป็นจิตนิยามจนมนุษย์ที่มีจิตนิยามนั่นแหละรู้จักหรือสุด เมื่อรู้ความวิเศษสูงสุดแล้วทุกอย่างไม่มีแล้วเป็น ของจิตของกรรมของธรรมต่างๆเนี่ยมันปรุงแต่งกันอยู่มันก็เป็นความมีมันเลิกสังขารอสังขารไม่มีสังขารมันเลิกปรุงแต่งกันสลายหมดเลยหมดพลังงานดูดเลย ดูดพอมันหมดฤทธิ์นิวตรอนพลังงานดูดหมดออกไปจากตัวพลังงานนั้นปฐมณูนั้นสลายนั้นหมด มันโดยที่มันไม่รู้ตัวแต่มันก็มีสภาวะของมันตามธรรมชาติโดยที่มันไม่รู้ตัวนิยามมันก็ไม่มีธาตุรุธาตุ นหมดดิบมันก็สลายไปเป็นอุตุนิญาณจนมันมีตัวกําหนดขึ้นมาเรียกว่าปีชะเป็นชีวะกําหนดมีตัวตนมี ปี่ชาประจ่มมันก็แต่แต่ปี่ชาที่เป็นพลังงานทางฟิสิกส์ที่เป็นชีวะฟิสิกส์ที่เป็นไบโอนะไบโอโลจีขึ้นมาเท่านั้น ใหญ่เล็กจนกระทั่งเจริญมาเป็นภูมิมีความรู้สูงสุดจึงจะรู้ว่า ไม่ตายคนพบได้สลายได้เพราะฉะนั้นก็สลายทางฟิสิกส์ทั้งวัตถุตะบวนจ๋านั้นเลยไปกว่าและ สลายก็สลายได้อย่างสะอาดยิ่งกว่ามีพลังงานระเบิดมีมีพลังงานที่จะใช้ได้แรงยิ่งกว่าพลังงาน สามารถรวมตัวแล้วจะใช้พลังงานนี้แล้วก็ทําให้มันเกิดจุดระเบิด ก็สามารถที่จะสลายหรือรวมตัวมาให้มีฤทธิ์มีแรงทํางานได้ปจักรวาลก็อยู่ใน มีความสามารถเท่าวงของตนเองแต่ถ้ามีตนถามเบลอเถิดไปทําได้แต่มันไม่มีประสิทธิภาพนะ องค์การมีจิตกังวลสามมนุษย์คืออะไรในศาสนาพุทธมนุษย์คือสัตว์สัตว์ชนิดหนึ่งที่มีจิตนิยามซึ่งเป็นสัตว์ที่ สังขารโลกอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนรู้สังขารทั้งหมดได้ว่าสังขารหรืออสังขารหรือจะเลิกสังขารอสังขาร ดับเลยไม่มีปรุงเลิกการปรุงการสังขาร เพราะงั้นผู้ที่สมบูรณ์สุดรู้จักสังขารโลกก็มีความกําหนด ข้อ 3 นั่นไปแล้วข้อ 4 อ้อข้อ 3 มนุษย์น่ะคืออะไร 3 บอกว่าจุดเริ่มต้นของมนุษย์มา จนถึงขั้นเรียกว่ามนุษย์โสจิตสูงสูงถึงขั้น แต่พอสอนโลกุตระไม่ได้ตับไม่ได้นี่คือจากไหนเริ่มต้นมาจาก มนุษย์เกิดมาเพื่อวังวัตถุประสงค์อะไรนะวัตถุประสงค์ของมนุษย์ถ้ายังอวิชชาโลกีๆงู ได้บำเพลออัตตาตัวเองก็สุนั่นคือโลกิส่วนจุดวัตถุประสงค์มุ่งหมาย มนุษย์คนนี้เป็นอมตะบุคคลได้สาระที่สูงสุดเลยว่า เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อโลกุตตรธรรมจะไม่ส่งเสริมให้คนเป็นมี จะมีสรรเสริญจะมีกามจะมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นกามคุณ 5 ก็ตามซึ่งเป็นสัจจะเป็นธรรมชาติมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีเป็นอรหัตตาไม่ หมดอัตตาที่มันเป็นผีเป็นสัตว์จนกระทั่งหมดความเป็นสัตว์จึงเป็นมนุษย์โซ อมตะที่แท้จริงนี่เป็นจุดประสงค์ของประสงค์นิพพานคือเป็นมนุษย์สูงสุดเป็นมนุษย์ที่หมดพิษหมด มีความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อโลก เมื่อเป็นอรหันต์แล้วอยากจะอยู่ในมหาจักรวาลนี้เชิญเพราะมีหลักประกันที่แท้จริงแล้วจิตวิญญาณผู้นี้สะอาดบริสุทธิ์ไม่กลับกลอก ไม่มีโทษเลยแต่ถ้าท่านไม่อยู่โทษเลยแต่มันไปหาความท่านไม่อยู่ท่านจะ รู้จักจุดที่ทําให้เกิดนิวตรอนได้ที่สาธยายซึ่งก็มีลักษณะของ สาธยายไปเอามนามะใช้งานไปได้ E mc2 a เพราะ abstract ของนามธรรม mm hmm. abstract สิ่งที่ abstract ยังเข้าไปถึงตรงนี้เข้าไปถึงตรงนี้แต่ไอสไตน์มีผูเพราะไอสไตน์เป็นโพธิสัตว์แต่อาตมาไอสไตน์เกิดมาในปางเป็นไอสไตน์ไม่ได้ สังขารธรรมที่ซึ่งนะสรุปแล้วมนุษย์เกิดมาเพื่อประสงค์เพราะฉะนั้นแกยังเสียใจที่ว่าแกเอา ไม่เอาอย่างไอสไตล์อาตมาเลยไม่เอาทั้งนี้ซะ จะไปทางโลกต่อให้ 8 7 คนน่ะน้ําหนักต่อ 1 คนทัญญชนะพระพุทธเจ้าของชนะอาตมาก็ยังเลือก<ใช> เพราะอย่างไอสตาร์นั้นทําแล้วมีโทษไอสตาร์ค้นพบการสลายและการจับ ล้างตัวเชื้อของสิ่งที่ทําโทษนั้นคือตัวกิเลสหมด พลังงานทางฟิสิกส์ทําชูลเพราะ ไปปรารถนาแต่รัฐธรรมนูญพระรัฐตาแต่กฎหมายพระรัฐกว่าเอาแต่กฎหลักเกณฑ์อะไรมาบังคับมนุษย์เสร็จหรอกไม่เสร็จหรอกแล้วไม่ได้ประโยชน์สูงสุดจับ แม่จับได้กูหน้าด้านทั้งด้านทั้งเลี้ยงเลี้ยงเก่งที่สุด 2 อย่างที่มันยังกําจัดยากอยู่เดี๋ยวเนี้ยกําจัด แก้ปัญหาไม่สําเร็จไม่นิจจังทุกวังสัสสตังอวิปริณามธัมมังอสังขตังก็ปังคอย แต่มันจะเจริญต้องจับมนุษย์มาศึกษาแล้วก็ให้เกิดๆไม่มีทางซ่อนไม่มี คือตัววิบากวิญญาณแต่ว่าผลวิบากวิญญาณแต่ว่าผลวิบากวิบากของกรรมทําดีปุ๊บเสร็จปุ๊บในวินาทีใด อาตมาก็พยายามขยายความอยู่นะซึ่งมีความหมายในนัยยะสําคัญติดตามกันอยู่พอสม นะพรงานกุศลวิบากมันก็ไปออกเป็นกุศลพรงานอกุศล แต่ทําให้กิเลสตายนั้นมีคุณค่าที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีมีประโยชน์มีคุณค่าคือ เป็นพลังงานที่มีแต่ประโยชน์คุณค่าควรมีมั้ยล่ะก็ควรมีแต่ก็ต้องให้ท่านละ แต่ละปางแต่ละปางธรรมะยนต์ทั้งขนาดสุด ความตายผู้ที่รู้จักการตายการเกิดเราเกิดเราก็ต่อโลกต่อจักรวาลต่ออะไรแล้วมีแต่จะยิ่งขึ้น เคยบอกว่าพระอรหันต์เถอะจะรู้ดีเมื่อเวลาตัวเองเป็นมลาน อริยผลมันก็ไม่น่าจะใช้วัฏทุกองค์เพราะว่าสม 44 พระอหันสม 44 เกิดตายเลย เราไม่มีใครมีผิดอะไรกับลูกแล้วเราตายไปแล้วไม่ คนท่านถ้าท่านอยู่กับแต่เวทีต่อศาสนาเพราะ แต่ถ้าเกินกว่านั้นแล้วปฏิพานไม่ยิ่งกว่ายึดคู่ เพราะงั้นมันจึงไม่มีอะไรที่จะไปกั้นทันเนาะเพราะงั้นไม่ต้องไปคิดปฏิบัติๆหาได้น้อยอรหันต์ๆนะอ้าวอธิบายไปหมดแล้วข้อที่ 4 ข้อที่ 5 จริยธรรมคืออะไรจริยธรรมหมาย หมายถึงสภาพที่รู้ร่วมกันว่าเป็นพฤติกรรมกุศลพฤติกรรมที่ดีแล้วก็รับสมมุตินั้นดังๆเออๆเขาจะเอาก็ก็ถือว่า อ่าข้าวเนี่ยเป็นผล พลoid ได้ของขี้ใช่มั้ยอ่าถ้าไม่ ที่ยอมรับกันจึงเรียกว่าเอ้ยเรื่องฟรีเซ็กซ์เป็นเรื่องไม่ความฟรีเซ็กซ์ไม่เสียหายนะเท่านั้นเองเค้ายึดๆเค้าก็เห็นเป็นของธรรมดาเรื่องฟรีเซ็กซ์ก็เรื่องของ อย่าไปพัวไล่เมียนะเค้าก็จริงจังกับศาสนาเค้าจะทุกข์ยังไง ศัพท์จริงๆของทางเอเชียก็แบบนี้ก็ต่างกันอเมริกางี้นิดต้นนะซึ่งเป็นเรื่องของการยึดถือเป็นจริยธรรมถือว่าไม่มีจริยธรรมอะไร อะไรกว่ากันไปนั่นคือจริยธรรมคือการสมมุติสัจจะที่กําหนดอะไรเป็นบรรทัดฐานของจริยธรรมตัวมนุษย์เองตัวมนุษย์ในกลุ่มหมู่นั้น ข้ออะไรที่ระบุคุณค่าความเป็นมนุษย์เออข้อนี้ลองถามดูสิใครตอบได้มั่งเออจริงรางวัลใครชนะได้กินมื้อเดียวใครตอบถูกให้รางวัลกินมื้อเดียวอะไรที่ระบุคุณถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์อะไร อะไรนะการดีความ ตอติปกัสเซบเราตัวนี้พวกเราชํานาญในเรื่องมูลค่าพอถามคุณค่าเลยใครไม่ค่อย แต่โลกอุตระนั้นเหนือก็เอาลาภยศสรรเสริญโลกิยสูงมากําหนดค่า ความไม่เห็นแก่ตัวความไม่มีตัวตนเห็นแก่ตัวความไม่มีตัวตนแล้วค่อยๆจะขยายความ อะไรเป็นเครื่องวัดบรรทัดธรรมเป็นเครื่องชี้บ่งตามมีประโยชน์ก็ตามอะไรเป็นเครื่องวัดอะไรเป็นบรรทัด เอาเนื้อแท้ของความคําตอบก็คือความไม่เห็นแก่ตัวศีลปัญญานะเป็นปัตตฐานทั้งรูปธรรมก็ศีลทั้งนาม 7 มหาประเทศ 4 อัน บทาถานของความเป็นมนุษย์คือความด้วยสัปปุริสธรรม 7 มหาประเทศ 4 เป็นวัฏฏฐานก็ต้องไปขยายความสัปปุริสธรรม 7 และมหาประเทศ 4 กันอีกซึ่งอันนั้นก็จะยาวจะเยอะละเอียดลึกซึ้งนะ ใครเป็นคนกำหนดมนุษย์มนุษย์ไหนล่ะมนุษย์คนไหนล่ะกำหนดมนุษย์ผู้รู้สุดยอดเราก็ถือว่าเป็นพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ใช่ ชนมนุษย์ที่สูงสุดพระพุทธเจ้านั้นเป็นมนุษย์ที่มีความ พระเจ้านั้นไม่มีตัวตนนะ ในพลังงานทางวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานเกินกว่าทางฟิสิกส์เท่านั้นคือมูลติพลังงานที่มีวิสุทธิคุณ 3 นะปัญญาธิคุณคือความรอบรู้นะ แลกกะรุณาธิคุณทุกช่วยทุกอย่างช่วยโลกช่วยในภาษาช่วยทุกอย่างเป็นช่วยช่วยและก็ตรีมูรติพลังงานตรีมูรตินี่คือ เอาพลังงานสูงสุดนี้มาใช้จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้ากันอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าแต่มีตัวตนบุคคลจริงนี่คือศาสนาพุทธที่ต่างกันกับศาสนาเทวนิยมส่วนอเทวนิยมหรือศาสนาพุทธเจ้า 1 เอกับ 1, 1 นาที ไม่ลดนะนาทีนึงก็ไม่ลด k, ไม <S k i s, s นี่แหละนะไม่รู้ จะนามอภิวสคิสนะเอาข้อ 1 ความจริง 12 อ่ะข้อ 2 ข้อ พระพุทธนิมิตทรัพย์ถามว่าพระพุทธนิมิตนี่คือเทวดาคุยกันอาตมา สิ่งนี้เป็นนามธรรมนะแต่ว่ามีจริงไม่มีจริงแต่คนไม่เข้าใจก็ไปเข้าใจ มาบอกเรามาบอก 2 เทวดาคือสภาพของพลังงานที่จะถามเราที่จะถาม มีภูมิที่จะของตนเองมาตอบภูมิที่จะของตนเองมาตอบเอาที่ไม่มีของตนเองมาตอบ ไม่ได้มาคุยกับเทวดามามาบอกตัวเองกับเทวดาซึ่งเป็นตัวท่านเองนั่นแหละมาบอกตัว จริงๆเทวดาที่สูงกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะว่าเทวดาก็ตามจะมาถามพระพุทธเจ้าต่ํากับพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงตอบได้หมดแต่เทวดาที่มาถาม พระพุทธเจ้าจึงตอบได้หมดพอถามท่านว่าอะไรท่านก็ดึงเอาความจําเอาสัญญาของท่านมาตอบได้หมดเพราะท่านมีท่านมีพุทธการกระทําธรรมะที่ทําให้พระพุทธเจ้าที่สูงสุดท่านมีพอแล้วครบแล้วเพราะฉะนั้น ตนตอบเทวดาต่อพระพรหมได้ทุกข์เทวดาทุกข์พรหมจึงจะนี่จะสแตมอนุมาตให้เป็นพระพุทธเจ้าได้สูงสุดนี่คือคีย์คีย์ที่จะอนุมาตให้เป็น ปุตตนิมิตรจะถามว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายฟังดีๆนะตั้งหูฟังดีๆนะประคองดี ปตินญานว่าพวกเราเป็นผู้ฉลาดทั้งนั้นแหละยึดถือกันว่าผู้ใดรู้อย่างนี้ดังที่ตัวเอง พูดสิรู้อย่างนี้อันนี้เป็นธรรมถ้าไม่คือทิฏฐิคือสิ่งที่ตัวเองยึดถือละทิฏฐิผู้นั้นคือทิฏฐินี้อยู่ชื่อว่าเป็นผู้เร็ว 3 ผู้ธรรมะทิฏฐิว่าอันนี้น่ะ คนนี้คนนี้ยังเร็วโง่คนนี้ยังเหงาคนนี้ยังเลวคนนี้ยังยังไม่รู้จริงนะผู้นั้นชัดคานคือทิฏฐิ สมณพราหมณ์ทั้งหลายถือมั่นทิฏฐิแม้ด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์สมัยโน้นก็ต้องถือว่าเป็นคนสูง ผู้อื่นเป็นคนเคล้าไม่ฉลาดต่างคนก็ต่างมาของต้นทุทุกของสมณพราหมณ์ผู้นั้นผิดของปราดผู้นั้นผิดข้านี่แหละปราดข้า วาทะของสมณพราหมณ์ 2 พวกนี้วาทะของสมณพราหมณ์ 2 พวกนี้วาทะไหนเป็นวาทะจริงหนอนี่เทวดาถามวาทะของพราหมณ์ 2 พราหมณ์เนี่ย ต่างก็กล่าวกันว่าเป็นคนฉลาดหรืออ้างตนว่าเป็นคนฉลาดคือ ความเห็นของผู้อื่นนําไม่ยอมตามความคือยอมไม่ยินยอมนี่คือไม่ คืออัตตาไงทิฏฐิทิฏฐิใครไม่เห็นเป็นความเห็นต่างของฉันเนี่ยคนยึดแล้วเนี่ยจะเห็นว่า ตัวผู้ยึดอย่างนี้แหละเป็นการยึดว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนโง่เป็นคนเค้าเป็น ชนเหล่านี้ทั้งหมดถือมั่นอยู่ใน มีทิฏฐิที่มันไม่เอียงไม่อะไรเลยสะอาดสะอ้านเป็นกลางแท้ไม่เอียงไปข้างไหนเลยเนี่ยก็จัดว่าเป็นคนมีปัญญาบริสุทธิ์เป็นคนฉลาด ก็จะไม่มีใครเป็นผู้มีปัญญาต่ําซ้ําใช่ป่ะถ้าจิตคนก็ไม่มีใครต่ําซ้ําเลยแต่ ทำเป็นรีบยกมืออวดตัวนะบรรดาเจ้าทิฐิเหล่านั้นก็จะ ความเห็นใดผู้จักเอาไปประปักลงไปเป็นความเห็นใดแท้เขาเหตุที่ชนเหล่านั้นได้กระทํา ถ้ามงคลบ่มีสิ่งอื่นเปล่านะของคนอื่นมันจะว่าเป็นคนเคล้าเป็นตั้งคนอื่น <c oughs> ผู้ ตนmit ตรัสถามว่าละสมณพราหมณ์แต่ละพวกเนี่ยกล่าว ก็กล่าวอ่ากล่าวความจริงๆกันเรียกว่าความจริง คนนั้นก็ถือของเพราะเหตุอะไรคราวนี้ก็ถือของ โต๊ะทําไมล่ะสมณพราหมณ์ทั้งต่างคนต่างถือทําไมไม่กล่าวเป็นอันเดียวกันได้อ่ะโอ้โหเจาะ สัจจะที่ 2 ไม่มีมี 1 ถ้าจะมีนะในโลกนี้แต่ 1 เพราะตอนนี้เรายกให้พระพุทธเจ้าตัดอะไร 1 เดียวถูกสุดอย่างนี้เป็นต้นใครจะไปบัญญัติสิ่งที่พระ 1 อย่างนี้เป็นต้น นะผู้ที่ทราบชัดมาทราบชัดอยู่ถ้าผู้ที่ทราบชัดก็ทราบชัดอยู่มาทราบชัดอยู่มาไปทราบชัดไปอยู่ แบบเนี้ยเข้าใจอยู่แล้วมันไม่มีหรอกสัจจะถ้ามีก็จะ แต่ถ้าไม่แย้งถ้าเราจะเห็นว่าอนิจจ์ถูกเราถืออันนี้คุณก็เป็นของคุณคุณอยู่แล้วคุณ กบดานไม่ให้ใครแย่งเอาไอ้จะยุทธคุณยึดถือไว้นี้ไปให้ชนนี่แต่ถ้าคุณส่งออกไปหน่อยนึงมึง คือการเกิดกับการดับการดับอยู่ไม่ 2 ถ้านึงนะอารัมภตินะอรอรอารัมอารัมมธาตุอารัมมธาตุนิคมธาตุ ก็เป็นปรรรคกรรมธาตุพอปรรรคกรรมธาตุก็มีกําลังแล้วมีธรรมธาตุพอธรรมธาตุตั้งมรรค จะปิดเค้าเข้าแย้งเราก็เข้าใจจบนานาสังวาทต่างคนต่างอยู่เป็นมนุษย์ร่วมกันเท่านั้นเองนานาสังวาทน่ะเพราะงั้นผู้ทราบ ตนเองเท่านั้นถ้ากล่าวออกไปหรือเมียะออกไปเพราะเหตุนั้นสมณพราหมณ์ คนนี่เค้าถามว่าเหตุใดจึงมาวิพากษ์กันอยู่เพราะเห็นอะไรก็เพราะเหตุแม้ของตนมีจะไม่ตรงกันกับของใครในภพของตน เริ่มต้นที่มีมิวาทเพราะมีวิวาธคําพูดถ้าไม่มีคํา ต่างกันผิดห้ามไม่ได้หมายห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้อยากคิดต่างกันห้ามไม่ได้แต่มัน ทางวาจาหรือทางการกระทําก็ตามมันมีตานําสืบได้เพราะฉะนั้นผู้พระศาสดาจะนําสืบอันนี้ถ้านําสืบได้ จับได้พิสูจน์ได้สามารถพิสูจน์ยืนยันเค้าก็จะตรงจํานวนคิด<ผม> <c oughs> <c oughs> พยายามก็ก็อย่างนะครับว่าจะ อันนี้กูเจติยทิฐิมาฟังแล้วก็อดเจติยทิฐิก็มาหนุนตายเอ่อเอ่ออุทิศบุญเนี่ยคือมันได้กูเจติยทิฐิมา แต่ว่าพวกพวกสัตตานตตินี่แพ้เพราะมีคนเดียวนี่ได้พบครู เพราะฉิตต่างคนต่างจิตอยู่ในภพมันไม่ออกครับปรับเป็นปรับปรับใช่คือพูดครับอ่าแต่ อสังขปะคือไม่ให้ไม่มีอยู่ในภพความ มันเนี่ยอะไรกลืนเลย 16 ข้อ 43 ที่บอกว่าคนเราต้องอาศัยทั้ง 2 อย่างนี้แหละความมีกับ ไม่ออกไปทางวาตะคุณก็มีอยู่บนหงคุณก็หมดโรคสมุทัยไม่มีเหตุของคุณเองคุณสงบ แต่แต่ถ้าฟังอย่างนี้มันมันคล้ายๆกับว่าพวกผู้อุเฉททิฐิเนี่ยกลายเป็นเพราะเขาไม่มีถูกต้องเพราะผู้ที่สมุจเฉทะนั่นคือสูงสุดสมุจเฉทะอุเฉยอย่างสมะ สมุจเฉทเนี่ยผู้อุเฉทอย่างต่อเนื่องก็ไม่งงไม่งงตอนที่ว่าจะปริเฉทปริเฉทะเจตนานิประวัติวจนะสมุจเฉท มีวงกลมและมีรอบละปริอ่าเพราะงั้นเมื่อเริ่มมีรอบจะรอบเล็กรอบน้อยรอบๆนานาที่มัน มันมีก็เป็นสังขารมันมีก็เป็นการปรุงแต่งกันอยู่ผู้ที่ 1 2 3 4 5 อะไรจําไม่ได้แล้วมันมัน อาหารรูปปริเทศรูปเนี่ยจึงรู้จักทําความว่างให้ จึงไม่มีวาทะใดเพราะฉะนั้นผู้นี้ก็สงบตนก็สงบคนอื่นก็สงบอะไรก็ จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ว่างสุขอากาศาตอากาศาอากาศอากาศธาตุนะเป็นผู้ที่ ไม่หยุดไม่นิ่งไม่วางไม่ไม่เบาก็รู้จักวิธีแล้วความจริงดังกล่าวไม่ไปวิวาทกันไม่วิวาทแต่คุณก็ใช่เช่นยก คุณยังมีรถอร่อยโรบอทรถอร่อยแล้วแล้วก็ไปเถียงกูอร่อยทุกทีเมื่อไหร่กูแตะไอ้สิ่งเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีได้ เพราะคนที่ไม่มีเนี่ยถึงจะเป็นคนยอมเออเอ็งมีก็มีไปเถอะข้าไม่มีแล้วก็รู้แล้วนี่มัน นอกจากรั้งที่สัมผัสเสียดสีความอร่อยนี้แล้วรู้ความอธิบายว่าคนขยําขี้เออโอ้ยน่าเล่นอยู่ในของกูของกูอยู่นี่ขี้ออกไปแล้วยังเอามาขยํานะ <c oughs> ยังเยอะยังขยําขี้เยอะข้างนอกไม่แสดงนั้นน่ะโอ้โหยังอรหันต์น่ะแต่เป็นอนาคามีได้แต่ข้าง นะนี่คือรายละเอียดเอาทีนี้มาตัวสําคัญเลยทีนี้นะเทวดาองค์นี้พุทธนิมิตนี้ยังเองพระพุทธเจ้าถึงบอกเพราะตนเองนะกล่าวสัจจะทั้งหลาย พรหิตอะไรหนอสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าลัทธิทั้งๆกันจะๆได้สดับมาหรือว่า สมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นน่ะที่ต่างเห็นต่างๆกันเนี่ยจะเป็นอันใครได้สดับมาฟังมาจํามาหรือว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นระดึก รู้ว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นระดึกตามความคาดคะเนของตนหรือเป็นของตนมันคาดคะเนเอาผมผมอยู่หรือสัจจะหลากหลาย เว้นจากสัญญาว่าเที่ยงเสียคำนี้แหละยิ่งๆนี่ถ้าเว้น <c oughs> <c oughs> ถ้าเว้นจากอันนี้แล้วจากไม่มีเลยในโลกนี้แล้วนะๆทั้งหมดหมดเนี่ยถ้าไม่มีตัวสัญญาเนี่ยไปกําหนดว่า การกำหนดว่าอันนี้น่ะใช่อันนี้น่ะมีอันนี้น่ะเถียงอันนี้น่ะถาวรได้อันนี้รันดอนเถียงนิจจัง <c oughs> สัญญาเนี่ยแหละมาเที่ยวไปทําสัญญากับใครแต่ใครสัญญากันว่าจะแต่งงานกันๆแต่อย่าง อย่างนี้ที่ไรอร่อยมันสนุกมันตัวจริงๆกําหนดเองทั้งสิ้นสัญญาเอง ดีเถอะว่ามันมีต่างกันนะในโลกมันถึงจะอยู่กันรอดถ้ามันเหมือนนะตาย เพราะฉะนั้นเนี่ย every presley มันโอ้โหคมกําหนดว่ามันต้องได้มาเป็นของ presley มันก็งงว่าอะไรกันว่ามันลงมากระทึงกัน ไม่มีในโลกเลยมีในโลกเลยก็สมณพราหมณ์ทั้ง ก็บุคคลเจ้าทิฏฐิอาศัยทิฏฐธัมม์เหล่านี้ บุคคลเจ้าทิฐิย่อมติเตียนบุคคลอื่นว่า ก็เอาที่ที่ตัวเองยืนยันนี่ล่ะไปกล่าวถ้ามันต่างกันเนี่ยก็ไปกล่าวคนอื่นถ้าไม่กล่าวซะก็ไม่มีวิวาทถ้ากล่าวซะก็แล้ว ตัวตนของกูมันก็มีอยู่ที่ตัวคนนั้นแหละแต่คนนั้นไม่ยึดว่ากูถูกกูมีจบเอ็งถูกก็ จมติเตียนผู้อื่นกล่าวทิฐินั้นเองบุคคล วะเราเป็นบัณฑิตเพราะว่าทิฏฐินั้นอยู่ถูกเขาตําหนิถูกเขา เพราะถ้าว่าบุคคลผู้ถูกเค้าว่า เป็นนักปราชญ์ด้วยลําพังตนเองไซ้เป็นนักปราชญ์ลําพังตนเอง หนีไปด้วยจักธรรมะนี้ไปชนเหล่านั้นผิดโอ้ขอไปไม่ใช่และ ยังไม่หมดจดพลาดไม่ไม่มากกว่าน้อยไม่หมดจดเดรัจฉานทั้งหลายย่อมกล่าวแม้อย่างนี้โดย คือทิฐินี้เท่านั้นหากล่าวไม่ตรงนี้เท่านั้นไม่ นะกลับรองห้องตนอัน 1 เดลถีรับรองอย่างหนักแน่นแก่ตนทายเดียวเมื่อจะพรอธิบาย ของตนหรือแต่ตนคุณไม่วิวาทออกแล้วคนนี้ตัดสินแล้ววินิจฉัยทิฐิแล้วนิรมิตรศาสดาเพราะฉะนั้นเมื่อ ก็เลยยิ่งวิวาทในโลกขึ้นไปสรุปนี่ ว่านี่เป็นศาสดามาเรื่อยคือเมื่อเร็วๆนี้นี้มีสํานักเราป่วยแล้วก็มีพวกเราที่อยู่ใกล้ชิดนะครับมามาทําพลังจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยนะเออสํานักเราขนาดนี้เราทําไม ก็ไม่เป็นไรหรอกในฐานะของเค้าอย่างเงี้ยนะครับแต่ใช่เราก็อนุญาตเข้าไปว่าเค้าจะทําอ่ะเค้ามั่นใจของเค้าเค้าเป็นศาสดาของเค้าแล้วแต่ผมก็ไป ตบังังคัลจะปอดะสิ่งที่ผิดนี้เกิดขึ้นนะครับสุดใครวิบากมันครับอันนี้ก็ต้องโยนให้ ให้เขาได้สิ่งที่ควรจะได้ประจำตัวบ้างแม้เขาจะดันตรังไปบ้างเอ๊ะมันน่าคิดหรือ นี่ก็รู้ว่าเออเราผิดแต่เราดันทุกรังยังมีใช้ได้สุดท้ายจริง <ฮะ S 1> มันเกินไปเกินไปเอ่อมันเกินไปแสดงว่าอาตมายังอธิบายไม่ดีใช่มันเป็นเรื่องของแต่ละ เพราะจึงคําว่าสัญญายะนิจจานินี่จึงเป็นตัวที่สุดยอดเลยสุด ได้นั่นก็ไม่แน่นอนก็ไม่ว่าเอออันๆเราก็ยึดยุดก็ได้นะบาง อาจจะเท่านั้นก็ได้นะเพราะงั้นผู้ที่จบจริงๆแล้วนั่นก็คือเกิดสภาวะ มันมันดันสุดท้ายมันไม่ได้อยู่เต็มตัวของมันเองจบมันไม่ดันต่อหรอกนะนะแต่จิตวิญญาณคนนี่มันมันขวานนั่นน่ะเท่า มันยังสามัญนิอัตโนมัติในการดันต่อไปอีกนั่นด้วยแต่ผีชะเนี่ยมันมีขีดของมันเสร็จแล้วมันก็ นะแต่มันมีเหมือนกันน่ะพลังของผีชะที่ร้าย ผีมันมีพลังงานสลายบางอย่างมันกินเป็นพิษมันมีพลังงานสลายมีพลังงานนะ อ่าวันนี้เนี่ยเอา 10 นาที แต่ผมถึงว่าข้อนี้ที่พระครูก็แทบ คือมีตัวเรากับสังคมถ้าสัจจะที่จริงยิ่งใหญ่ที่สุดเราก็ ตัวเรายกตัวอย่างจริงๆเลยอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาไม่ได้ยึดตัวตนว่าตัวเองยึดอันนี้ว่าถูกเพราะฉะนั้น แต่มีขึ้นมาให้ได้ก็ต้องสู้กันมาให้ได้ก็ต้องสู้เพราะงั้นหมู่ที่เค้ายึดถือบางคนๆมันมีเออคนสู้มัน สู่เปลาจริงๆทั้งโนทอยหมดก็เอ้าถ้าคุณทําได้หนักนะหนักๆก็ยิ่งๆก็ยิ่งหนักแล้วมันต้านไม่เท่าไหร่หรอกมัน ตบสู้ก็จะเบาก็ชนะได้ได้ดีได้เพราะในนัยยะที่มากที่น้อยประมาณอย่างนี้แหละเป็นตัวคํานวณ ตัดสินตามคําสอนพระเจ้าอะไรห้ามอะไรอนุญาตไว้หมดมีเท่าไหร่ก็ตรวจสอบมัน แต่แต่สมัยสมัยพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่ามันมีปืนปลนโมมาไอ้พวกนาพวกหอกพวกนี้น่ะคํานวณให้ตายไอ้ปืนมึงก็เอาไปกิน ท่านไม่มูลไม่รู้มือปืนบรรณมโนเป็นยังไงยังไม่ได้กําหนดไม่ได้บัญญัติห้ามก็ไม่ห้ามอนุญาตก็ไม่อนุญาต ยังบอกว่าต่อไปจะมีผู้ที่รู้ คนก็ดําไม่ยิ่งไม่ใช่ Nostradamus ทํานายไม่ออกเลยแล้วก็ไม่รู้รูปๆเลยว่าจะเป็นไอ้แท่งอะไรมึนอะไรเข้าใจภาษาอะไรไม่รู้หรอกของ Nostradamus เค้ามีอยู่อาตมาก็ไม่ได้ค่อยจําเท่าไหร่ รบกันด้วยเสียงรบกันด้วยข่าวด้วยเสียงรบกันด้วยข่าวรบกันด้วยสรรสารเพราะว่าอาวุธน่ะรู้แล้วคน จะสู้กันด้วยลักษณะนี้อ่าพรสื่อสารเนี่ยจึงสําคัญในอนาคตจําเป็น ยิ่งเราทําทุกวันนี้อาตมายังภาคๆอาตมาก็ยังภาค ก็ช่วยกันทํานะนักเรียนเนี่ยควรจะรู้ว่า ท่านไม่ได้พูดเลยในเรื่องอีก 3 นาทีพูดไปหลายประโยคแล้วครับพูดตกลงเหลืออีก 3 นาทีสุดท้ายอาตมาก็ขอสรุป แล้วอันนี้มันเป็นคุณสมบัติที่มันครบพร้อมใกล้เคียงด้วยนะอันนี้มันเป็นคุณสมบัติที่มันครบพร้อม 5 ผัสสะ 6 ตัว 6 ก็คือจิตปัญญาเป็นตัว 5 ผัสสะทั้ง กำหนดทิฏฐิธรรมไว้ว่าต้องสัมผัสวิโมกข์ 8 ดึกกายกายคือองค์ประชุมทั้งนอกและในพ่อทิฐารูปานิปัสสติทั้ง เอามาเป็นองค์รวมไม่ให้ขาดตกบกพร่องได้มันก็ครบบริบูรณ์จึงเป็นสัจจะพอเราก็รวมตัวกันพยายาม เป็นโทษน่ะอย่าว่าจะอบายมุขเลยเมตตากามหยาบ สามารถในที่จะทํามันมากกว่านี้ไม่ไหวจึงกําหนดกรรมฐานกําหนดศีลกําหนดกรอบเป็นโมเดลปฏิบัติให้ได้เป็นตัวอย่างของตนเมื่อได้ตัวอย่าง ถ้าจัดด้วยสมถะหรือวิปัสสนากับจัดอย่างนี้หมดหมดหมดหมดได้คุณก็จะสูงขึ้นเข้าคร่องขึ้นเจริญๆเลยเป็นอรหันต์ของๆ คนก็ฝึกฝนอยู่ในธรรมกิจกับมนุษย์อาชีพการกระทําการพูดการจาไม่ได้ลดย่อนชํานาญช่ําชองด้วยกุศลเหตุมี มันจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดและไม่ใช่คนไร้เจริญมันจึงทดเจริญ เพราะฉะนั้นจึงเจริญหลายต่อเจริญกว่าคนลกมวลเท่านั้นเพราะยุคนี้มวล เท่านั้นเองซึ่งห้ามไม่ได้เราจะไปนั่งฆ่ามวลให้หมดนี่ฆ่า เพราะถึงคุณสุดท้ายวิกฤตธรรมชาติจะซื้อสัตว์ที่สุดจะปราบคนบาปเหลือแต่คนบุญที่แท้จริงจะเหลือแต่ว่ามันหรือ ในกรรมในวิบากเชื่อในสัจจะพวกนี้จึงไม่มีเราเชื่อแล้วๆก็ตามได้มั้ยพบได้มั้ยเห็นแล้วจะเอาหรือไม่เอาตัวใครตัวมัน เอวังคมมีด้วยปาการาชนี 3 นาทีอ่าต่อนี้ก็ 11:18 เลย 15 ไป เอ้ามาจะ